ไม่ว่าข่าสศึกจะมาทางด้านใดเป็นหน้าที่ของทหารผู้ตีก้าวเข้าสู่สงครามแล้วจะต้องทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถขาดดิ่นในจิตใจหากว่าชีวิตเหลือมาก็ให้มีชัยชนะถ้าไม่เหลือก็มอบไว้กับความกระาหารคือตายด้วยความกระหารชานชัยไม่ทอถอยต่อปั จ, จมิตรที่จะมาจากจตุทิต มีเรื่องของทหารที่ทำหน้าที่ในแนวรบต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นผู้กี่ขลาดหวาดกลัวแล้วอย่างไรก็ต้องจมเป็นแน่นอนมีนักปฏิบัติย่อมเป็นเช่นเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแล้วเวลานี้ต่างท่านต่างสลับมาจากบ้านจากเรือนสมัครสลับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราสลับทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมีคุณค่ามากทั้งนั้น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 ผลที่ปรากฏก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละคือผลอันยิ่งยวดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้ถ้าเรียกว่าสมบัติก็คือโลกุตระสมบัติหรือนิพานสมบัตินี้เกิดขึ้นมาจากความกระหายของพระพุทธเจ้าเราผู้เป็นสิทธิ์พระทากกฎปรากฏว่าเป็นผู้สําคัญคนหนึ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยังไม่แล้วยังได้ออกแนวรก ค, คือการปฏิบัติ นี่เป็นหลักสําคัญการรบของเรานั้นไม่ได้หมายถึงรบปัจจามิตรภายนอกใดๆแต่เป็นเรื่องที่จะรบกับเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาหรือทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรนดเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเกี่ยวข้องกับทางตาของจมูกริ้นกายและร่วงไหลเข้าไปสู่ใจนี่ทันเรียกว่าคาสึ ก, ากทันผู้ใดมีความ ขยันหมั่นเพียรมีความกล้าหาญชานันใจต่อการพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เสียเลสเสียเหลี่ยมไม่เสียงที่แห่งแง่งอนของสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแสดงออกผู้นั้นและจะเป็นผู้มีชัยชนะเราผู้เป็นนักปฏิบัติที่ได้ก้าวออกแล้วสู่สงครามจงเ ป, มมเป็นผู้มีความกล้าหาญอย่ามีความประมาทในอียบททั้งสี่ เดินจงเป็นผู้มีความระมัดระวังเดินนั่งนอนเล่นแต่หลับเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยด้วยกันทั้งโลกนอกจากนั้นให้เป็นผู้มีสติระมัดระวังตั้งตัวไว้เสมอและมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเ ว, เวลานี้เราเป็นพระเราอยู่ในถ้ากลางแห่งฆาศึกไม่ทราบจะมาด้านไหนมั่งทางรูปก็จะผ่านเข้ามา เสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเข้ามาสติปัญญาซึ่งเป็นศรราสตาอุตตัสำคัญที่พระพุทธ เ, ทเจา้าสมมอบไว้ให้กับเรานั้นเราได้ถือแนบสนิทกับตัวหรือไม่โปรดได้นำมาพิจารณาตลอดเวลาอย่าได้ลดละนี่คือหน้าที่ของพระผู้กล้าเข้ า, ขาสู่สงครามภายในคือกิเกักับตัวของเราเองหากเราเป็นผู้มีความท้อถอยแล้วจะเอาตัวไปไม่หลอดอยู่ที่ไหนก็มีแต่ยอมแพ้อ ย, อยู่ตลอดเวลา คนที่แพ้ไม่ว่าแพ้อะไรย่อมเป็นคนหมดความสง่าราศีถ้าคนชนะแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความองอาจกระหารนี่เราอยู่ด้วยความแพ้นั่งเดินเดินนอนในอยายะบทหรือความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ด้วยความแพ้แล้วใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่ลูกศิษย์พระทาโคตรผูปรากฏเป็นความอ่านหารให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างแต่เราซึ่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นผู้คนทอแท้อ่อนแออย่างนี้ไม่สมควรเลยโปรดได้นำมาคิด ให้สนิทติดจิตติดใจของตนเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องความเพียร น, นี้เป็นเครื่องมือสำหรับลบความอาาัดหันหรือความอดทนความอุตสาหา์พยายามนี้เป็นกําลังเครื่องสนับสนุนของเราผู้เป็นทหารของพระพุทธเจ้าอย่าได้ลดละเรื่องความเป็นอยู่ของเราเป็นอยู่กับญาติกับโยมไปที่ไหนไม่อดตายเราไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายหากว่าเราเป็นผู้บําเพ็ญตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัตธรรมนูญอยู่แล้ว จะไม่มีใครทอดทิ้งเาราโปรดได้มอบชีวิตจิตใจใทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ของพระไว้กับคารวะเจาโ ย, ยมแต่หน้าที่ของพระจริงๆคือการทำของพระความเพียรระมัดระวังตัวผิดตัวให้ดีขึ้นทุกวันด้วยความเพียรโดยทางสติโดยทางปัญญานี่ชื่อว่าเป็นผู้ทาหน้าที่อันถูกต้ตองและจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นลาดับลาดับต่อไปการรบฆ่าสึกภายในนี้เป็นสิ่งสาคัญ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 นอกจากจะเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองแล้วยังจะเป็นหลักมั่นคงของโลกยังจะทําประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นจํานวนไม่น้อยและไม่มีขอบเขยด้วยเพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีโลกยึงต้องกราบไหว้บูชาเคารพนับถือเสมอจะตุปัจจัยเทยทานมีมากมีน้อยจะให้มาเท่าไรเขาไม่มีความเสียดาย ให้มาด้วยความเสียสละให้มาด้วยการบูชาธรรมให้มาด้วยความเชื่อความลมใสให้มาด้วยความเคารพไม่มีความหวงยายเสียดายในวัตถุสิ่งของที่เขาให้ทานมาเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นนักปฏิบัติโดยธรรมะจริงๆแล้วจะไม่อดอยากแม้จะเกิดความอดอยากบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็ให้ถือเสียว่าเรื่องคติธรรมดาย่อมเป็นเช่นนี้อเนจังเป็นของไม่สม่ำเสมอตลอดมาแต่การไหนการไหน ไหนจะต้องมีความสม่ำเสมอในอาหารที่อยู่ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องอสัยยอมเป็นไปมา่นาดต้องมีการขึ้นขึ้นลงลงเป็นธรรมดาแต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความเพียรของเรานั้นอย่าให้ขาดวักขาดตอนอยากให้ด้อยลงได้ให้มีความข ม, มขม เ, เข็มแข็งบึกบึนตัวเองนี่แหละชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบกพร่องแต่เราไม่บกพร่อง จุดที่เราประสงค์ไม่บกครองนี่เป็นอันมาไม่เสียทีไม่แพ้ดูที่ไหนก็มีชัยชนะเรื่อยไปการพิจารณาธรรมะอย่าพว่าน้นคว่านี้เราจะตั้งหลักอันใดลงไปจะกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้ทำความเข้าใจกับลมของตนจริงๆลมจะเข้าออกยาวหรือสั้นขอให้ทำการรับทราบอยู่เสมอในระยะลมที่ออกหรือเข้า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 อันแปลประหลาดและประจําให้เราเห็นในเวลาที่จิตมีความสงบหรือตั้งตัวได้โดยลําพังตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดมาเครือบแฝง ม, มีความสุขขึ้นโดยความสงบของใจเองนี่แหละชื่อว่าเป็นตัวของตัวแท้ในขั้นหนึ่งแต่มันได้หมายถึงขั้นสุดยอดหมายถึงขั้นต้นอย่างนี้เสียก่อนอย่างไรก็ขอให้ทําได้อย่างนี้ผู้รือจะตามด้วยพุทธโธก็ตา่างเราจะตามด้วยพุทธโธพุทธ โทรพุทโธทั้งระยะเข้าและออกหรือจะตามมาพุทเข้าโทออกก็ได้ขอให้เป็นความถนัดใจเท่านั้นะเป็นที่ถูกในหลักความเพียรสําหรับนิสัยของแต่ละหลายหลายเราไม่ต้องไปคว้านู่นควานี้และยินท่านว่าท่านภาวนาอย่างนั้นได้ผลผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นได้ผลเราก็คว้านู่นปล่อยนี้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนหลักลอยทําอะไรจับจดจนไม่ทราบนิสัยของตนว่าจะควรปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรอย่างนี้ทําความเพียรไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผล หลักสำคัญคือให้เป็นคนจริงจะทำทาเพียงด้วยทาบทใดหรือพิจารณาบริกรรมด้วยทาบทใดหรือจะพิจารณาทำในแง่ใดอาการใดขอจงทำให้จริงจนเห็นผลขึ้นมาพร้อมกับให้ทราบชัดว่าจดิตของเราถูกกับสิ่งนี้หรือทำบทนี้มีลมหายใจเป็นต้นนี่แรชื่อว่าค้นดูเหตุให้เห็นชัดเจน ทั้งหลักนิสัยของตนแล้วดำเนินต่อไปทำด้วยความจริงใจในเบื้องต้นต้องมีหลักฐานเช่นนี้ผู้กำหนดพุดโทโธโดยลำพังก็เอาเดินไปไหนอยากให้เผลอคำว่าพุโทโธพุโทโธในเมื่อได้นำมากำกับใจไม่ให้ขาดวักขาดตอนในความรู้สึกระหว่างจิตกับพุโทโธให้ติดต่อกันเป็นสายไปอยู่แล้วคาว่าพุโทโธกับความรู้นั้น จะค่อยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าเป็นลํำดับลาดับจนกลายเป็นอันมากคําว่าพุโทโธกับความรู้นั้นเป็นอันเดียวกันนี่เราจะบริกรรมหรือไม่ไม่เป็นปัญหาในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆถึงเราจะนึกว่าพุโทโธก็คือความรู้นั่นแหละเป็นพุโทโธนี่ถ้าจะเทียบอุปมา ก, ก็คําว่าพุโทโธนี่เรียบเหมือนเราตามรอยเท้าของโคเพื่อจะจับตัวโคตัวนั้นให้ได้ โครตัวนั้นไปที่ไหนอย่าปล่อยลอยให้ตามรอยโครตัวนั้นไปเป็นลาดับลำดับไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆจนถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปัญหาเพราะไปถึงตัวโคแล้วถ้าจะดูรอยโคก็ดูที่เท้าโคก็ทาบรอยที่เหยียบย่ำไว้ในที่ต่างๆก็คือออกจากรอยนี้เองหรือออกจากเท้าหองโคตัวที่เราจับได้นี่แหละ นี่คำมั่พุโทโธก็เป็นร่องรอยที่จะตามรู้คำมั่พุท ธ, ธะซึ่งเป็นเหมือนกับโคนั้นหากเราไม่ปล่อยตามพุโทโธเข้าไปทุกระยะระยะคำมั่พุโทโธกับจิตก็จะกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะหมดปัญหาในคำมั่พุโทโธในเวลาเช่นนั้นนี่จิตตั้งได้มีความสงบเยือกเย็ยนเป็นสุขในเวลาเช่นนั้นนี่ผลที่เกิดขึ้นจาก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 ตามเรื่องแห่งความหมายที่ตนไปทํากุญมายป้ายทางเอาไว้นี่เป็นการผูกมัดตนแต่การพิจารณานี้เพื่อจะแก้ไขจุดที่ตนผูกมัดนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นชัดในสิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยไปเป็นนยิยัคนยัคนย ะ, นยะหากว่ารู้รอบความหมดในส่วนแห่งร่างกายนี้จิตก็ปล่อยได้โดยเด็ดขาดเรียกว่าหมดอุปาทานของกายนี่ก็เข้าไปถึงตัวจิตนั่นอีก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 ทำอะไรให้ทำจริงการพิจารณากายนี้จะพิจารณากายนอกกายในไม่สำคัญเพราะสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกมีได้ทั้งภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นมัดคือทางดำเนินเพื่อ ก, การแก้ไขปลดเปื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวผูกมัดก็ย่อมมีได้ทั้งภายนอกภายมัดภายในเช่นเรารักรูปความล่รูปนั้นเป็นสมุทยัย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 เห็นโทษของตัวเองว่าเป็นโทษตัวเองไปทําความสําคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นต่างหาจึงเกิดความรักความกําหนัดยินดีขึ้นมานี่เราก็ได้เห็นโทษของเราด้วยเราก็ได้เห็นโทษในสิ่งที่เราไปสําคัญมั่นหมายว่าน่ารักน่ากําหนัดยินดีนั้นด้วยนี่เป็นอันว่าถอดถอนมาได้เป็นระยะๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดมากปัญญาในขั้นของธาตุขันยังมีนอกจากนั้น ปัญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี้เป็นประเภทหนึ่งปัญญาในขั้นของนามธรรมเป็นอีกขั้นหนึ่งหากว่าจิตของเราตั้งตัวได้ด้วยความสงบเพราะอานาจของความเพียรพยายามโดยวิธีภาวนาดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นมีหลักฐานเป็นที่พอจะพยยิจารณาหรือตั้งตนได้แล้วโปรดพิจารณาเรื่องปัญญาจะเป็นเรื่องนอกก็ตาม จะเป็นเรื่องไหนก็ตามให้แยกส่วนแบ่งส่ว น, วนดูดังที่กล่าวจิตใจให้ทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งวันยิ่งเป็นการดีเมื่อมีความเหนื่อยภายในจิตใจกำหนดจิตให้เข้าพักในความสงบเป็นสมาธิเยือกเย็ยนขึ้นมาพอถอยจากความสงบแล้วออกทำหน้าที่การงานของตัวเองเคยพิจารณาอะไรที่ยังไม่ชัดเอาคลี่คลายดูให้ชัดถืออนั้นแหละ เป็นงานของตนพิจารณาจนรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วจิตใจนั้นจะปล่อยตัวเองปล่อยงานประเภทนั้นโดยเราไม่ต้องไปบังคับเพราะรู้เราพอบแล้วจะถือมันไว้ทําไมนี่เป็นเรื่องของจิตจะปล่อยตัวเองนี่ขั้นของธาตุนี่อธิบายอย่างสรุปสรุปขั้นของขันนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งขันในขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารมินยานอันนี้เป็นส่วนละเอียดมากละเอียดยิ่งกว่าขัน แต่ถึงจะละเอียดแค่ไหนก็ตามจะพ้นวิสัยของปัญญาไปไม่ได้ขันทั้งธาตุทั้งธาตุหรือว่ารูปทั้งกองนีในส่วนร่างกายของเราปัญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทนทุกถอดถอน อ, อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายได้เหตุใดจะไม่สามารถรู้เท่าทันในเวทนาสัญญาสังขารมิญญานได้คำว่าเวทนาเวทนาทางกายประเภทหนึ่งเวทนาทางใจประเภทหนึ่ง เวทนาทางใจนี้เป็นส่วนละเอียดมากโดยมากถ้าจิตได้รับความสงบเยือกเก็นมาเป็นลำดับๆดดแล้วจะมีแต่สุขเวทนาปรากฏขึ้นภายในใจสุขเวทนานี้ก็ต้องในพิจารณาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาจะปล่อยทิ้งไว้หรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไม่ได้เช่นผู้ติดสมาธิโดยมากติดสุขเวทนาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็นแน่วแน่อยู่นั้นเป็นอันเดียว ไม่อยากจะออกมาคิดมาอ่านใ่ตองอะไรให้หนักอกหนักใจให้เกิดความลาบากลาคาญเราอยู่อย่างนี้สบายดีทั้งวันก็สบายออกมากระทบกระเทือนดูเสียงกลิ่นมสเป็นต้นก็รู้สึกมันเกิดไม่ค่อยสบายลาคาญในจิตในใจแล้วย้อนเข้าไปสมาธินั่นเสียสบายดีนี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็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 หากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลยก็จะอยู่แต่เพียงความสงบหาปรากฏว่าได้ถอดจิตเหลวตัวไหนออกได้ด้วยอํานาจของสมาธิจะไม่มีเห็นแต่ความสงบถ้าเราอบตัวไม่บ้างหรือมีความประมาทบ้างไม่ค่อยจะเข้าสมาธิบ่อยไม่ค่อยทําความเพียรบ่อยจิตที่เคยเป็นสมาธิก็เลยกลายเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านลําคานไปอีกเลยเข้าสมาธิไม่ได้นี่เรียกว่าสมาธิเสื่อมแค่นั้นเพื่อให้ความเหมาะสม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 เพราะฉะนั้นสุขทุกข์จึงเป็นของที่เกิดและดับได้ไม่เป็นของอีหลังทาวรและไม่เป็นสิ่งที่จะคงที่ชัญนญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มีลักษณะที่ปรากฏกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันทั้งเกิดและดับนี้เป็นตามธรรมชาติของขันหากว่าจิตจะหลงก็หลงได้ถ้าจิตใช้พิจารณาก็รู้ฐานที่เกิดที่ดับให้ชัด ของเขาได้จังชัดเจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกองแห่งรูปในกองแห่งเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยทั้งสัญญาความจําหมายสิ่งใดไว้ทั้งสังขารความปรุงว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ทั้งวิญญาณที่รับทราบเป็นแต่เพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปดับไปดับไปนี่คือปัญญาขั้นละเอียดที่จะสามารถให้เห็นต้นเหตุเรือเห็นรากฐานของอาการทั้งสี่ทั้งห้านี้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 ไม่ว่าเวทนาประเภทใดไม่นะไม่ว่าสัญญาจะหมายเรื่องอะไรไม่ว่าสังขารจะปรุงเรื่องอะไรจะเห็นความเกิดของสิ่งเหล่านี้มาจากจิตอันและเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากจากจิตและเรายังจะได้เห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุ้มห่อไว้อย่างมิชิดธรรมชาตินั้นเป็นผู้ทําหน้าที่ โดยมากในเอียบทั้งสี่จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้นเป็นตัวเชิดเป็นตัวพาให้คิดให้อ่านให้ปรุงแต่งต่างๆนี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาอันนี้เป็นสิ่งที่สนิทติดกับใจมากจนผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นอันละเอียดแล้วไม่สามารถจะทำลายจิตอันนี้ไม่สามารถจะพิจารณาธรรมชาติอันนี้ได้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 เป็นขั้นละเอียดนี้จะมีแต่เรื่องความดีทั้งนั้นแสดงตัวความดีอันนี้แลที่เรียกปะอวิชาอันแท้จริงหลอกทั้งชั่วหลอกทั้งส่วนหยาบก็ตามกันทันมาเป็นลำดำับแสดงความละเอียดถ้าปัญญาไม่สามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลาเช่นความพ่องใสก็คือธรรมชาตินี้แหละแสดงตัวอยู่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 เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่ว่าง น, นี้ได้โดยไม่มีความชะทกชะทานโดยไม่มีความหึงหวงในธรรมชาตินี้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนั้นน่ากลัวจะติดอยู่เป็นเมดานานๆหรือติดกันไปเลยถอนกันไม่ออกเนื่องจากมีความรักมีความสงวนมีความชอบมีความพอใจอย่างเป็นที่แล้วก็ยกธรรมชาติอันนี้ขึ้นวาเป็นตนกดขี่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 แต่จะไปชมว่าห้องนี้ว่างโล่งผงเต็มที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ในห้องนี้เลยห้องนี้จึงว่างอย่างเต็มที่นี่แล้วไปชมห้องโดยไม่ทราบว่าตัวคนเดียวนั่นแหละไปทำการกีดขวางในห้องห้องจึงยังไม่ว่างเพราะยังเหลือคนคนหนึ่งไปทาการกีดขวางอยู่นั้นนี่พอย้อนเข้ามาทกจะรู้สึกตัวว่าอ้อห้องนี้ว่างจริง แต่ที่ห้องนี้ยังไม่ว่างเต็มที่ก็เนื่องจากเรามาอยู่ในห้องนี้คนหนึ่งถ้าเราถอนตัวของเราออกไปเสียจากห้องนี้แล้วห้องนี้จะว่างอย่างเต็มที่ข้อนี้มีประมาณฉันไหนซุกทิ้งทุกอย่างว่างปล่อยว่างกันได้หมดแต่ยังเหลือคําว่าเราซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้จริงรุนรุนนั่นแหะอวิชชารุนรุนคือเราตัวนั้นเนี่ยกีดขวางตัวเองอยู่ในแวลนั้นไม่ทราบว่าอวิชชานั้นคืออะไร เราจึงเห็นสิ่งทั้งหลายว่าว่างหรือเราว่าเราวางสิ่งทั้งหลายได้หมดไม่มีสิ่ในใดเหลือแต่ธรรมชาติอันนั้นทำการจิตขวางตัวของเราอยู่เราเลยไม่ว่างพอปัญญาได้ยังเข้าไปสู่จุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สาลายตัวลงไปนั่นแหละภายนอกก็ว่าง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 ตั้งแต่กระรอกกระแตมันยังมีโพรงมีรังถ้าเราก็มีแต่ให้มีเท่าที่เห็นว่าจาเป็นกับธาตุันเท่านั้นอย่าไปทาความกังวลให้มากไปจนลืมมองดูพระของตัวให้สร้างพระนี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็สมายอยู่ร่วมไม้ชายเขาอยู่ในป่าในลกอีกอดบ้างอีบ้างมีความสมายทั้งนั้นเพราะพระนี้ได้สมบูรณ์แบบแล้วจงทาความสนใจอ ย, อย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชอบ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 ออกทางเข้ามีทางปลดเปลืองตนเองมีทางหลบหลีกภัยได้อย่างสบายด้วยอานาจปัญญาของพระอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดข้าศึกที่เคยก่อความวุ่นวาให้เราวันยังขำคืนยังลุ่งโดยไม่มีวันหยุดจังก็ได้ยุติกันลงด้วยอานาจแห่งพระของเราได้มีความกล้าหาญชาญชัยรบกับสิ่งทั้งหลายให้รู้เท่าทันปล่อยวางได้ตามเป็นจริงทั้งภายนอกและภายใน เรื่องภายนอกก็ไม่มาเกี่ยวข้องให้เป็นกังวลกับภายในใจเรื่องใจก็ไม่เจาะแผลหาไม่ฟุ้งเฟอ้อเหวมกับสิ่งภายนอกเพื่อก่อไฟเผาตัวต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงพระก็จริงสําหรับพระอืของเรานั่นไปที่ไหนสบายเมื่อใจถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์แล่อยู่ที่ไหนก็พอตัวไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เรียวว่าความพอตัวอดก็พอตัวอิ่มก็พอตัวอยู่ที่ไหนก็พอตัวสมายอยู่หมดทุกแห่งทุกหนนั่นแะ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 เห็นได้อย่างเต็มตาเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสรับทราบได้อย่างเต็มจิตเต็มใจแต่ไม่ติดไม่พันไม่เป็นกังวลไม่มีท่ามีทางว่าจะต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันหรือไม่มีท่ามีทางจะต้องฟุ่งเพ้อเหิน ไ, ไปตามสิ่งทั้งหลายนั้นเพราะยะถาภูตังยานาทัสนดังเป็นสิ่งที่ได้เห็นแจ้งชัดตายตัวแล้วภายในจิตใจนั่นท่านเรียกว่าสุ ข, ขะโตอยู่ก็สุ ข, ขะโตคืออยู่ก็อยู่ดี ไปก็ไปดีคิดก็คิดดีอะไรมาสัมผัสกายเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เป็นโทษจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสุขะโตดูก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีหลับและตื่นก็ดีอะไรดีไปหมดถ้าจิต ด, ดีเพียงดวงเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรจะเป็นค่าสึกในโลกนี้ที่เป็นค่าสึกที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็น่องจากใจดวงเดียวนี่แหละเสาะหาเรื่องก่อเรื่อง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 เพราะคำว่าสันติโกนี้พระพุทธเจ้ามอบไว้กับพุทธบริษัททุกๆุกรูปทุกๆนามผู้ใดมีข้อปฏิบัติสมควรที่จะรู้ตามสันติธกรมก็ย่อมมีสิทธิที่จะรู้ได้ไม่เลือกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคราวาสสามารถจะรู้ได้โดยกันฉะนั้นอวสานแห่งธรรมที่แสดงวันนี้ก็ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงนำปัญินินานายพรณาแนพยายามผดพระของตน